นี่มาดูในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในชยทิศจริยาข้อสิบก้าหน้าส4 2สสองโอ้ hmm. เดินทางเกือบครึ่งทางพระองค์ตรัดเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราเมื่อพระราชาทรงพระนามว่าชยทิศพระองค์นี้ทรงประกอบด้วยคุณ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 นี้พระบิดาของเราก็เสด็จไปล่าเนื้อทรงพบพญาโปริษาตพญาโปริษานั้นได้จับพระบิดาของเราแล้วกล่าวว่าท่านเป็นอาหารของเราท่านอยาดินรนพระบิดาของเรานั้นสดับคําของพญาโปริษานั้นทรงกลัวสะดุ้งหวาดวันพระองค์นั้นมีพระเพลาในแขนกระดัางแปลว่าขาชาเลยตงั้นเพราะทอดพระเนตรเห็นพญาโปริษาตถ้าขาชาแล้วทําไงได้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 เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วตกแต่งร่างกายสะพายธนูเน็บพระแสงขันออกไปหาพระยาโปริาษาทเราคิดว่ า, านะเรียกว่าเตรียมอาวุธเบ็ดเสร็จแล้วก็เดินไปพอไปใกล้ถึงเราก็คิดว่าพระยาโปริาษาทเห็นมือถืออาวุธบางทีนี้จะต้องสะดุ้งกลัวแต่เพราะเมื่อเราทําความสะดุ้งกลัวแก่พระยาโปริาษาทศีลของเราก็จะเศร้าหมองอนะ เขาตกใจเดี๋ยวศีลเราเสียหายหมดเหมืนอนกันนะกลัวศีลตัวเองจะเศร้ามองเพราะเขาตกใจเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดคืออาวุธเข้าไปใกล้พระยาโภริษฐานั้นเรามีเมตตาจิตกล่าวคําเป็นประโยชน์แล้วก็ได้กล่าวคํานี้ว่าท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อไฟให้เป็นกองใหญ่เราจะกระโดดเข้าไฟท่านเป็นผู้พระปิดตุชา้าคือ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 พูดถึงอัตกถาจริยาปิดกชยทิตจริยาที่9เนี่ยนะที่กล่าวถึงยกย่องชมเชยคุณของพระราชาเนี่ยพระราชาชยทิตว่าศีลขุณะนุปากตคือพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยอาจารยศีลและคุณธรรมของพระราชามีความสมบูรณ์ด้วยอุตสาหะเป็นต้นก็หมายความว่าพระราชาพระองค์นี้เนี่ยอยู่ในอาจารยศีล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 ต่อ บ, บริวารชนเป็นต้นมันท่านจึงเลยเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสีลคุณและก็คุณธรรมของพระราชาเนี่ยนะโดยศัพท์นั้นพระราชานี้แปลว่าผู้สงเคราะห์ชนเราอื่นด้วยสังคหาวตถุ4ประการนั้นคําว่าพระราชาก็คือผู้ที่เกิดมาเพื่อสงเคราะห์ประชุมชนตำแหน่งนี้เขาแต่งตั้งให้สงเคราะห์ประชุมชนนะเดิมทีเลยคําว่ากษัตริย์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 ที่นี้เราเนี่ยนะก็ได้เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นอหฮังปุตโตอโหสิงก็เป็นลูกของพระเจ้าชยทิตย์พระองค์นี้แหละสุตะธรรมโมคือชื่อว่าธรรมะอันราชบทนั้นนิ่งสดับหมายาว่านิ่งสดับนะไม่ใช่ได้อะไรนะนิ่งสดับนิ่งฟังจริงๆมีสุตตะมยญาณจริง ๆ, ๆไม่ใช่แววผ่านหูทันสุตะธรรมโมก็คือทรงธรรมที่ได้สดับไว้เป็นอย่างดีหมายาว่า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 มีการให้มีการใช้ถ้อยคำมันเป็นที่รักทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็วางตนได้ถูกต้องเรกวัสมานตาตาก็คือเป็นคนที่วางตัวเป็นก็เลยเรียกว่าสงเคราะห์บริวารด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการเหล่านี้ <c oughs> ทีนี้วันหนึ่งพระราชานี้ไปล่าเนื้อได้ยินว่าวันหนึ่งพระเจ้าชัยทิตนน้เสด็จออกจากกบิรัตนนครพร้อมด้วยบริวารใหญ่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 สตะถาสะแปลว่าสิสตะร้อยสหัสะในพันระหะแปลว่าควรก็คือคําพูดสบทเนี่ยควรแก่ราคาร้อยหนึ่ ง, งหมายความว่าถ้าใครฟังก็จ่ายร้อยหนึ่งท่านก็จะเอาคาถาเนี่ยไปเล่าให้พระราชาฟังพระราชาจะได้จ่ายร้อยหนึ่งก็เลยเรียกว่าสตาระหะหมายว่ามีอยู่สบทสบทนี้สมควรก็แปลว่ามีราคาร้อยหนึ่งพระราชาก็บอกว่าเราจะ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 มันก็นี้ไปทางพระราชารอดไปได้พระองค์ก็ทรงเที่ยวะนะพวกอัามัดก็หัวเราะขำนะถ้าคนอื่นนี่อาจจะหัวขาดนะแต่ว่าแม้พระราชาไม่รู้ทำไงก็เลยยิ้มนะพระราชาก็ตามเนื้อนั้นไปสุดทางสามโยศกรกวิ่งตามเนื้อนั้นสี่สิบแปดกิโลแล้วก็ยิงเนื้อนั้นที่หมดกําลังให้ล้มลงแสดงว่าแข็งแรงมากเลยนะวิ่งได้สี่บแปดกิโลเนี่ยนะวิ่งจนเนื้อเหนื่อยอ่ะ พระองค์ก็ทรงเอาพระขันเนี่ยชำระเนื้อที่ล้มลงนั้นออกเป็นสองส่วนจริงๆแล้วใจจริงพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาแต่เพื่อจะปลดเปลื้องคําพูดว่าพระราชาไม่สามารถจับมรึกคือเนื้อตัวนั้นไปที่นี้ไปได้เพียงแต่ว่ามานะแค่นั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้อยากฆ่าอยากอะไรเท่าไหราก็ไม่ได้อยากไล่เนื้อด้วยแต่ก็ไอ้ามานะ ท, ที่ที่มันมันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาถ้าก็ว่าไม่มีฝีมือว่าือนกันจะขาดความสามารถ พระองค์ก็ทรงนําำทำคานแล้วก็คอนคานก็คือคอนหมายว่าไม่ใช่หาบนะคอคอนก็คือหมายถึงว่าอันเนื้อไว้ข้างหลังแล้วก็ไม้อันหนึ่งแบกมาเนยนะถ้าหาบก็มีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะอันนี้เรียกว่าคอนมาประทับนั่งเหนือหญ้าแพรกที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งทรงพักอยู่ครู่หนึ่งเตรียมจะเสด็จไปครั้งนั้นพระเชษฐาคือพี่ชายของพระราชานั้นเนี่ยนะคือพระราชาพระองค์นี้เนี่ย ม, มีมีพี่อยู่หลายคน พี่องค์ที่1ก็ถูกยักไปกินพี่คนที่2ก็ถูกยักไปกินพี่คนที่ ส, สเชิฐาของพระราชาในวันประสูติถูกยักษณีจับไปเพื่อจะกินยักษณีนั้นถูกพวกมนุ ษ, นษย์ที่อารักขาติดตามไปจนถึงทางทดน้ําก็วางกุมารไว้ที่อบ ก, กุมารไม่หิวนมพอดีเลยกุมารนั้นดูดนมด้วยสําคัญว่าเป็นมารดายักษณีก็เกิดความรักคล้ายกับบุตร จึงได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะมาเขาบว่ายปกติก็ชอบกินเด็กนะเพราะเด็กดื่มนมเข้าโมแรงเลยคนนี้เอาไปเลี้ยงดีกว่าเฮี้ยมขนาดไหนก็เอาไปเลี้ยงนะรักเลยคนนี้กุมานั้นเสวยแต่เนื้อมนุษย์เพราะเขาประกอบเป็นอาหารให้เสวยครั้นเจริญวัยขึ้นตามลําดับก็หายตัวไปด้วยอนุภาพของรากยาที่นางยักษิศีให้เพื่อหายตัวได้ไอ้รากยานี่ยมันทำให้หายตัวได้ไม่รู้ว่ารากต้นอะไรก็ไม่รู้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 ก็ปกตินะไหมสมัยสมัยเด็กๆที่ป่ามันยังรกรชัดๆเนี่ยนะบอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับเอาไปกินนะเนี่ยนะถูกขู่ประจํามนะเดี๋ยวถูกอาเจอะไรนะถูกจับเอาไปกินตับนะเดี๋ยวถูกล่วงตับนะอะไรเราก็กลัวกลัวไม่อยากเข้าป่าเล ย, เ, ยนะเพราะว่าเนี่ยนี่ก็เหมือนกันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะลักษณะกินตับแม้กระทั่งอะไรนะซีอุยใช่ไหมซีอุยนี่ก็ก็กินตับเหมือนกัน ก, ก็คือไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง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 พระองค์เนี่ยมีพลาคือขานี่แข็งกระด้างขาชาไปหมดเลยนะบางคนนี่มันแหมมันมีอนุภาพมากนะพูดคําเดียวเนี่ยตัวชาหมดเลยนะนี่ก็เหมือนกันยักษ์เนี่ยมีมีพลังมากนั้นคําพูดหนึ่งคำออกไปเนี่ยหมดแรงที่จะเดินเลยเพราะทรงเห็นพยาโปริศาสพยาโปริศาสก็รับเอาเนื้อแล้วก็ปล่อยโดยบังคับให้กลับมาอีกอคําว่าปล่อยไปนี่ปล่อยอยังไง บทว่ามิคังนะครบอธิบายว่าพญาโปริษาทนั้นถือเอาเนื้อของมรึกนี้แล้วจึงปล่อยพระราชาพอเห็นบุตรยักษ์ินีนั้นนะกลัวถึงกับเพลานิแข็งกระด้างดุดป ร, ประทับยืนเหมือนกับต่อไม้ก้าวขาไม่ออกขาแข็งเลยนะพญาโปริษาสรีบไปจับพระราชาที่ประหัตแล้วก็กล่าวว่าท่านเป็นอาหารของเราแล้ว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 ประสงค์จะไปท่านาท่านไปแล้วก็ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นแล้วแล้วรักษาคําสัตว์รีบกลับมาอีกหมายว่าแน่จริงนะแต่สมัยนั้นเขาว่ารักษาสัตว์จากวาจากันมา ก, ก น, นะขนาดคุยกันรู้เรื่องกันตายอยู่แล้วยังปล่อยกันไปได้แล้วก็ปล่อยพระราชาไปพระราชานั้นครั้นพระยาโปริศาสปล่อยแล้วก็ตรัสว่าท่านยาวิตกไปเลย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 จริงๆแล้วท่านบอกว่าสตารหะ ก, ก็คือบทละร้อยบทละร้อยสี่บทก็400รพระราชาฟังอ่ะพระราชาฟังปั๊บจริงๆแล้วคาถานี้ไม่ใช่มีราคาเท่ากับ400รอรอกจริงๆมันก็สมควรกับบ้านเมืองนี้ทั้งหมดแต่พราหมณ์นี้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์เหล่านี้เอาไว้ได้ท่านให้ไปสี่พันก็เลยบอกว่าคาถานี้ไม่ใช่สตารหะหรอกมันต้องทศศแล้วหสะสหะแล้วนะจะต้องควรแก่พัน ก็เลยให้สี่พันแล้วก็ให้ยามด้วยให้อะไรไปด้วยเสร็จแล้วพระองค์ก็มีพระดำรัสว่าพวกท่านจงนำพรามนี้ไปส่งให้ถึงเมืองตักกิสราคือก็คิดดูนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเป็นปีดกปีดกขนาดนี้พอไปถึงบางยุคบางสมัยเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเลยอย่างอินเดีย ก, กลับไปเนี่ยบางพวกก็เหลือได้แต่นะ้ำโมตังอารหังได้เหลือนิดนหน่อยหน่อยเ น, นี่ยนะ ก็แทบจะศูนย์พันแล้วนะที่ลาวก็แทบจะจําอะไรไม่ได้เวียดนามก็แทบไม่ได้อะไรแนยะ้วเวียดนามอะนะขเขมรก็แทบไม่เหลืออะไรก็เอามาไปจากไทยเนี่ยนะก็เหลือนิดๆหน่นนอยๆต่อไปไทยทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาอนาคตต่อไปก็จะเหมือนกับอินเดียเหมือนกับหลายๆประเทศเนี่ยนะก็หมดมันศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็เลยหมดเทีย้อนกลับมาอีกครั้งหนึงว่า ในวันที่สองพระองค์นี้มีพระประสงค์จะไปหาพญาโปริศาทตก็เลยแต่งตั้งโอรสในราชสมบัติดังที่พระองค์เล่าให้ภาษาดิบุตรฟังว่าพญาโปริศาทตรรับเอาเนื้อนั้นแล้วก็ปล่อยไปโดยบังคับให้กลับมาอีกพระบิดาพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วก็เรียกเรามาว่าดูก่อนลูกลูกจงปกครองราชสมบัติอย่าประมาทปกครองนครนี้ พยาโปริศาส์บังคับพ่อให้พ่อกลับไปหาอีกเป็นพระราชาทำไมทุกวันนยกกองทัพไปเลยนะแต่ท่านก็ไม่นะท่านก็มีสัจจะวาจาคืออธิบายว่าพระราชาตรัสว่าลูกลูกจงปกครองราชสมบัติอันเป็นของตระกูลนี้เถิดลูกปกครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอไว้อย่างใดหมายความว่า พ่อครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอไว้อย่างใดแม้ลูกเขายกสเสวตฉัดให้ครองราชสมบัติก็จงเป็นอย่างนั้นลูกรักษาพระนคร น, นี้และจงครองราชสมบัติอย่าให้ถึงอย่าได้ถึงความประมาทเลยส่วนพ่อนั้นได้รับรองรับปากรับคำไว้กับยักษ์ปริสาที่โคนต้นไทรในที่โน้นว่าพ่อจะมาหาเขาอีกพ่อรักษาคาสัตย์จึงกลับมาในที่นี้ เพื่อจะให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อจะกลับณนะที่นั้นพระโพธิสัตว์พอสะดับดังนั้นแล้วก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระบิดาอย่าเสด็จณนะที่นั้นเลยพระเจ้าค่ะหม่อมชันจักไปณนะที่นั้นเองข้าแต่พระบิดาหากพระบิดาจาักเสด็จไปให้ได้แม้หม่อมชันก็จักไปกับพระบิดาด้วยพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเมื่อเป็นอย่างนั้น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 เราถวายบังคมพระมารดาบิดาแล้วตบแต่งร่างกายสพายธนูเน็บพระแสงขันออกไปหาพญาโพริศาทพญาโริศาทเห็นมีมื อ, เ, อเห็นมีถืออาวุธเนี่ยนะเห็นมือถืออาวุธบางทีจักสะดุ้งกลัวแต่เพราะเมื่อเราทำความสะดุ้งกลัวแก่พญาโริศาทศีลของเราก็จกักเศร้ามองคนดีนี่กด็ดีจริงๆแนะกลัวอีกฝ่ายหนะึ่งเขาไม่สบายใจ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 มันก็นี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อเราทําความสะดุ้งกลัวแก่พระยาโพธิสัตศีลของเราก็จะเศร้ามองมันท่านไม่ต้องการให้ใครกลัวท่านเลยอันนี้คือรวมๆ ว, ว่าอัจฉยาสายพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้สึกว่ากลัวพระพุทธเจ้ามีแต่เกรงอกมีแต่เกรงใจมีแต่ความเคารพอย่างเดียวแต่ลักษณะกลัวสะดุ้งไม่มี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 เรานี่กลัวศีลของเราจะพินาศเศร้ามองด้วยเหตุที่ทําให้ยักษ์นั้นเกิดความกลัวบทว่าศีลขันดะพยาไมห้ังตัดสะเดศสังนะพยารหิงเพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดเข้าไปใกล้ยพยาโปริสานนั้นคือเราได้วางสาสตราเพราะกลัวศีลของเราจะขาดเข้าไปหาพยาโปริสานนั้นอย่างใดเพราะเรากลัวศีลจะขาดอย่างนั้นจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดไม่น่าปรารถนา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 พรโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิศเรารู้ว่าท่านคือโปริศาทผู้กินคนเรามาที่นี้ก็เพื่อจะรักษาชีวิตของพระบิดาเพราะฉะนั้นท่านจงเว้นจากพระบิดากินเราแทนเถิดสละชีวิตให้พ่อยกชีวิตให้พ่อถ้าจะกินพ่อก็กินลูกแทนก็แล้วกันนะพญาปริสาสต์ูปยักษ์ศรีก็กล่าวากล่าวด้วยอาการชะงนคือสงสัยอีกว่า เรารู้จักท่านว่าเป็นโอรสของพระยาพระราชาชยทิศพ่ออะไรเพราะหน้าเหมือนกันเหมือนนแต่ท่านมาอย่างนี้ชื่อว่ากระทาสิ่งที่ทำได้ยากพระกุมารก็บอกว่าไม่ยากเลยการสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระบิดาจะไปยากอะไรถ้าสละชีวิตให้พ่อเหมงนกันจริงอยู่บุคคลทำบุญเห็นป่านี้เพราะเหตุแห่งมารดาบิดาย่อมบันเทิงในสวรรค์โดยส่วนเดียวเท่านั้น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 เราขอสละชีวิตอันนี้ให้แก่ท่านนะคือท่านมีมีปัญญาที่ลึกซึ้งมากก็เนื่องจากว่าท่านเนี่ยเกิดมาตั้งอยู่ในในคุณงามความดีตั้งอยู่ในบุญกุศลท่านรู้อยู่แล้วว่าการสละชีวิตเพื่อพ่อเพื่อแม่นั้นอ่ะนะสวรรค์อย่างเดียวขณะเดียวกันท่านก็ไม่ลืมไม่เบลอไม่เลื่อนเรือนว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีมันก็ตายวันยังค่ํานั่นแหลอีกในหนึ่ง เราก็ไม่ได้ทําความชั่วอะไรเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งตายแล้วไปสวรรค์สองคนที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีสมนึกถึงบาปไม่ออกว่าไปทําบาปอะไรบ้างเราก็เลยไม่กลัวต่อความตายขณะเดียวกันยังสละชีวิตนี้ให้แก่ท่านอีกล้วก็บอกว่าท่านจงก่อกองไฟให้นะเราก็ถต่ว่าท่านจงก่อกองไฟแล้วกินเราเถอะท่านท่านจุดไฟเลยนะเดี๋ยวเราจะลงไปในไฟแล้วย่างสดแล้วท่านกินได้เลย ดังที่พระองค์ตรัสว่าท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อเป็นไฟกองใหญ่เราจะกระโดดเข้าไปท่านผู้เป็นพระเจ้าลุงท่านจงทราบเวลาว่าเราสุขดีแล้วก็จงกินเธอนะนะกินเธอมาขอปิ้งเลยนะนะเดี๋ยวเราจะลงตัวโดดตัวให้ปิ้งให้กินเลยเมยาเลยพญาโพริศาสลูกนางยักษ์ศรีได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าเราไม่อาจจะกินเนื้อกุมาร น, นี้ได้เราจะให้กุมาร น, นี้ไปโดยอุบาย ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าป่าแล้วก็หาไม้แก่นมาทําให้เป็นฐานเพลิงไม่มีควันเราจะปิ้งเนื้อท่านที่ฐานเพลิงนั้นแล้วก็กินเสียพระโพธิสัตว์ก็ทําตามอย่างที่บอกแก่โปริษัทคือคือโปริษัทเนี่ยนะกินไม่ได้แล้วว่าคนนี้มีคุณธรรมมากจริงๆเอาวางแผนไล่นี้นะั่นแหละบอกท่านไปหาฟืนซะท่าไปหาฟืนก็บอกว่าถือโอกาสนี้เลยแต่ทีนี้ พระโพธิสัตว์ไม่ทําอย่างนั้นเดไปหาฟืนมาจริงๆแล้วมาก่อกองไฟถ่านลุกโคลงเลยแหละพยาโพธิสัตว์แลดูกูมา น, นั้นก็คิดว่ากูมาร น, นี้เป็นบุรุษสีหาราชเป็นใครบอกเป็ น, เ ป, นเป็นตระกูลราชสีจริงๆไม่กลัวแม้แต่ความตายคนไม่กลัวตายอย่างนี้เราเกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันเกิดคนลุกชูชันมองดูกูมาเนี่ยคนลุกสู้สู้เลยนะเห็นเขาเรียกว่าก่อกองไฟเพื่อจะปิ้งตัวกินนะปิ้งตัวให้ตัวเองกินเนี่ยนะ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 พระยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโดยรวมๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครโหดเรียกว่าบาปบริสุทธิ์บาปยาบคายที่แท้จริงอะไรมากมายรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีสติรู้ดีรู้ชั่วพอเจอคนดีจริงๆอะนะคนบาปนี่ยอมเลยมนนั้งนะว่าโอ้นี่ถ้าเรากินเขานี่หัวเราแตกเจ็เสียงแน่พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าหากท่านไม่ประสงค์จะกินเราเอาแล้วทําไมท่านมาก่ อ, ก อ, ก, อกองไฟทําไมล่ะ ยักก็บอกว่าเพื่อจะข่มท่านนะนะเพื่อจะขูว่งั้นพระกุมารเมื่อจะแสดงเนื้อความนั้นว่าท่านจะข่มเราอย่างนี้ได้อย่างไรในบัดนี้ชาตินี้ท่านข่มยังไงก็ข่มเราไม่ได้เพราะแม้เมื่อเราตอนอดีตชาติที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยังไม่ให้เท้าสักเกทวราชข่มเราได้เลยเนี่ยนะเราเป็นคนแท้ๆท่านจะมาข่มเราได้ยังไงขนาดเทวดายังข่มเราไม่ได้นะ และพระองค์ก็ตรัสว่าก็กระต่ายนั้นสําคัญว่าเท้าสักกานี้เป็นพราหมณ์จึงได้เชิญให้อยู่ในที่นั้นข้าแต่เทวะด้วยเหตุนั้นแหละ ก, กระต่ายนั้นจึงเป็นจันทิมะเทพบุตรหมายความว่าเป็นรอยอยู่ในดวงชันได้ความสรรเสริญด้วยเสียงว่าสะสะให้เจริญความไข่จนทุกวันนี้บทว่าสระโอวอาเสสิกสเกสเีเรคือกระต่ายเมื่อจะให้ร่างกายของตน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 ก็กล่าวคาถาว่าดวงจันท์พ้นจากปากราหูย่อมรุ่งเรืองดุดแสงสว่างในวันเพ็ญฉันใดนะนะเหมือนว่าดวงจันท์ที่พ้นจากเมฆหมอกก็ส่องสว่างสวัยฉันใดท่านกปิละผู้มีอนุภาพใหญ่ท่านพ้นจากปริสัตย่อมรุ่งโรดฉันนั้นพระองค์ยังพระชนกชนนีให้ปราบปลืม่มทั้งเป็นผู้ที่ฝ่ายพระญาทั้งปวงของพระองค์ก็ยินดีแม้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 พญาโริษฐ์เชื่อถือพญาโพริษฐ์จริงๆก็ไม่ได้เลวสุดยอดเลยก็ยังนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เหมือนกันนะนับถือฤศีฤศีนี่มีตาทิพย์เมื่อกล่าวกระดาบทก็กล่าวว่ากล่าวถึงความเป็นพ่อว่าพวกท่านทําอะไรกันก็บอกว่าอา้าทั้งลุงทั้งหลานเนี่ยมาเที่ยวอะไรกันอยู่นะฤศีเห็นตับทักเลยเอา้าทั้งลุงทั้งหลานมาเที่ยวทําอะไรกันอยู่นะพ่อกันลูกกันนะเที่ยวไปในป่าพระยพญาโพริษฐ์ก็เลยเชื่อว่า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 นะท่านสงเคราะห์มูสั์จริงๆสงเคราะห์โจรผู้เหี้ยมโหดให้บวดได้สงเคราะห์อย่างนี้ได้ไม่ใช่แต่ชาติที่เป็นพระพุทธชา้าแม้แต่อดีตชาติก็เคยสงเคราะห์แล้วก็คิดดูนะว่าเพราะบิดาเป็นผู้สงศีลเราก็เลยสละชีวิตของของเราเพื่อให้แก่พระยาโปริศาทเนี่ยนะสีล ว, วัตังหีตุเพราะเหตุแห่งความมีศีลอันเป็นเครื่องหมายแห่งการสมาทาน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 ดาบทก็บอกว่าอาตมาไม่มาไม่ไปหรอกไปอยู่ใกล้เมืองไม่ไปหรอกเกิดมาอยู่ป่ามาตั้งแต่เล็กก น, น้อยนะพระราชากรับสั่งให้ปลูกบ้านใกล้อสมนั้นแล้วก็จัดตั้งภิกษาบ้านนั้นก็ชื่อว่าจูละกรมมาสธรรมนิคมถ้าเป็นที่กุรุรัตน์เนี่ยนะอะไรนะกรมมาสธรรมะแต่ว่าชื่อว่ามหากรมมาสธรรมนิคมพระมาดาพระบิดาในครั้งนั้นได้เป็นมหาราช ในตระกูลครั้งนี้ก็คือพ่อก็คือพระเจ้าสุดโธทนะแม่ก็คือครแม่ก็คือพระนางสิริ ม, มหามายาดาบทก็คือพระสารีบุตรอย่าลืมว่าพระสารีบทเนี่ยบวชเป็นฤาษีติดกัน500ชาติเนี่ยนะท้อยหลังเลยติดกัน500ชาติเพราะาในช่วงกลับนี่นะโดยมากเนี่ยถ้าฟังเรื่องพระสารีบุตรเมื่อไหร่ก็จะเนี่ยเป็นนักบวชมาตลอดเลยพระโพธิสัตว์บางทียังไม่ได้บวชเลยแต่ว่าพระสารีบทนี่ติดบวชติดกันมา500ชาติ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 เป็นน้องเนี่ยก็โวนอยนู่เนี่ยเนาะสังสารวัตรเนี่ยภาคคราหมเฮสีของอาลีนจิตอาลีตอาลีนสัตตะเนี่ยก็คือพระมารดาของพระราหุลอาลีนสัตตะกุมารสัตตุอาลีนสัตตุกุมารก็คือพระโล ก, กนาฏโล ก, กนาฏโล ก, ก, น, าโล ก, ก น, านาถาเนี่ยนะนาโถบแล้วว่าที่พึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์เป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามนั่นเอง ในเรื่องนี้ควรจะกล่าวถึงคุณธรรมประกาศคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์อย่างนี้เช่นการที่พระองค์เนี่ยห้ามพระบิดาสละชีวิตของตนเพื่อรักษาชีวิตของพระบิดาจึงตัดสินใจว่าเราจะไปหาพระญาโพริศาสอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าทำได้ยากเลยนะคิดว่าให้ชีวิตแทนที่จะคิดว่าพ่อแก่แล้วพ่อตายก็ไม่เป็นไรหรอลูกยังนม่มลูกจะเรกเสวยสมบัติต่อไหมนะก็สละชีวิตเพื่อ พเพื่อแม่การที่วางศาตราเข้าไปเพื่อไม่ให้บริษัทนั้นหวาดสะดุ้งอันนี้ก็ถือว่าพิเศษเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่พิเศษกลัวเขาจะตกใจ น, นะกลัวเขาจะกลัวก็เลยไม่เอาอาวุธไปขณะเดียวกันไปถึงก็ไม่ได้ไปแหม่ไปมือสัน่นโง่โโกลัวตายไม่เข้าไปเจราจาด้วยถ้อยคาที่น่ารักปิยบาจากับพญาบริษัทนั้นด้วยหวังว่า ศีลของเราอย่าทำลายศีลของเราอย่าขาดเลยถ้าเกิดไปดา่าไปว่าไปว่าเดี๋ยวศีลตัวเองจะขาดถ้าช็อกตายตรงนั้นจะว่าไงไงนะมีการไม่มีความสะดุ้งต่อความตายทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่พระโพลิสานที่โพริสานนั้นคมขู่โดยนยิยตต่างๆจะไปกลัวตายทําไมนะฟังฟังคิดนะท่านก็มีเหตุผลของท่านนะหนึ่งใครที่ตายเพื่อพ่อตายเพื่อแม่ก็สวรรค์แน่นอนเหตุผลที่หนึ่งสองเหตุผลที่สองอะไร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 หรืองเรียนไม่ใครใดทำบาปเหมือนกันนึกถึงบุญแล้วสวดมนต์มาตั้งหลายวัดนะโรงเรียนเนาะไปสวดมาตั้งหลายโรงเรียนนะวันนี้ก็ตั้งสวดตั้งก็ชเช้านังเดิต่อไปว่าการร่าเริงยินดีบอกว่าเรานี่จับทาร่างกายของเราให้มีผลประโยชน์ของพระบิดาหมายว่ายกชีวิตนี้ให้พ่อสละชีวิตนี้เพื่อพ่อ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 จิตใจเนี่ยของท่านเนี่ยเมตตาท่านมีเสมอน้อมไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ถ้าหากว่าถ้าจิตใจของพระโพธิสัตว์เป็นจิตใจที่คับแคบเนี่ยนะเห็นโจรองคุลีมานเนี่ยฆ่าคนมา9ก้าร้คนเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยใครก็อยากจะแช่งให้ตกนรกกันทั้งนั้นใช่ไหมแต่นี้ไม่ท่านน้อมเอาอภิญญาหกไปให้องคุลีมานอ่ะเอื้อมอภิน ญ, ญาหกให้อ่ะ ให้พระองค์ุลิมาเนี่ยประกอบด้วยรูปสมาบัติอรูปสมาบัติมรสีผลสีนิพพานหนึ่งและอภิญยาอีกหกประการเนี่ยนะเพราะพระองค์ยื่นประโยชน์เหล่านี้ให้เพราะฉนนั้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์อย่างแท้จริงเพราะแม้กระทั่งว่าการน้อมให้ปุริศาสได้รับสมบัติแม้อดีตชาติฉันใดาชาติปัจจุบันก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพราะแต่ว่าอดีตชาตินั้นเป็นโลกิยะนะเป็นสมบัติของมนุษย์ อันก็หยิบยื่นมนุสมบัติให้แต่พระพุทธเจ้าหยิบนิพพานสมบัติให้แก่พระองคุลิมานตอนท้ายการให้โริษาสเกิดความสลดใจในการแสดงธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลบวชได้นก็สอนได้ท่านมีปัญญาสอนเรียกว่าเพชฌฆาตฆ่าคนกินคนเนี่ยให้บวชรักษาศีลได้เนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคนปกติไม่ทไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา อันนี้ก็เป็นคุณธรรมอีกชาติหนึ่งเป็นบา ร, รมีที่พระองค์ได้ทำมาเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่ง่ายที่จะทำได้เช่นนี้โอ้ภาษาสดาของเราที่เก่งจริง ๆ, ๆนะ